โลกที่เราอยู่กันนี้นอกจากที่เราอยู่บนโลกกลมๆนี้ก็ยังมีโลกอื่นเช่นดวงดาวดวงอื่นมีดวงอาทิตย์ดาวอังคารที่นักดาราศาสตร์เขาใช้กล้องสรงออกไปดู ทุกโลกก็เหมือนกับโลกของเราเนี่เป็นโลกกลมๆบางโลกก็มีมนุษย์มีสัตว์อยู่บางโลกก็ไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์อยู่เพราะว่าบรรยากาศไม่เอื้อเฟือต่อการมีมนุษย์มีสัตว์มีต้นไม้ใบหญ้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจั ก, กรวาล น, นี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในรูปแบบต่างๆเช่นโลกเรานี้ก็มีน้ำ เดีกว่าธาตุน้ําน้ําทะเลน้ําในลําธารน้นําในอะไรต่างๆดินก็ที่เป็นของแข็งนะดินที่เราขุดกันเรียกว่าดินธาตุดิ น, น, ดนแล้วก็มีธาตุลมก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีธาตุไฟคือความร้อนะ ความร้อนต่างๆร้อนมากๆก็ปะทุเป็นไฟเช่นไฟไม้ป่าอันนี้ก็เป็นการทำงานของาธาตุไฟนี่คือาธาตุหลักๆมีอยู่สี่ธาตุที่สร้างจั ก, กรวาลขึ้นมาที่ประกอบให้มีจั ก, กรวาลให้มีดาวต่างๆ เช่นพระอาทิตย์นี่ก็จะมีธาตุไฟมากเลมีแต่ธาตุไฟส่งความร้อนออกมาส่วนดวงดวงดาวดวงอื่นที่ไม่มีความร้อนเช่นดาวังคารดาวอะไรต้องอาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างโลกของเรานี่ก็ไม่มีความร้อนในตัวเอง ต้องอาศัยธาตุไฟจากดวงอาทิตย์คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองตามหลักของการเป็นธาตุมันมีแค่นี้แหละมีอยู่สี่ธาตุด้วยกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วแต่ว่าจะมีธาตุไหนมากธาตุไหนน้อยในแต่ละโลก แท่นดวงอาทิตย์นี้มีธาตุไฟมากธาตุโลกของเรานี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมแดะดวงจันทร์นี้มีแต่ธาตุดินอน้ําก็ไม่มีอลมก็ไม่มีคืออากาศหายใจเอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี้เป็นธาตุทั้งนั้นะ ทำมาจากธาตุทั้งสีนี้โลกเหล่านี้เป็นโลกที่มีบรรยากาศมีปัจจัยที่ทำให้มีการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ให้มีต้นไม้นใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้านี้อาศัยการรวมตัว ของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมคืออากาศแล้วก็ธาตุไฟคือความร้อนที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ก็เลยทำให้มีต้นไม้ใบหญ้าต่างๆแล้วก็ยังนอกจากต้นไม้ใบหญ้า ย, ยังมีมนุษย์และสัตว์ในละานด้วยมนุษย์และสัตว์ในละฉานนี้มีธาต อีกธาตุหนึ่งเพิ่มขึ้นมามารวมตัวถึงจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ธาตุที่ห้านี้เราเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นี่เราก็มาเรียกกันว่าเป็นเป็นใจเป็นจิตเป็นจิตเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดอันนี้เมื่อมารวมกับร่างกาย ที่ทำจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือเป็นเดรัจฉานขึ้นมาเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นสัตว์ต่างๆที่เราเห็นปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้สัตว์ที่มีชีวิตนี้มีความรู้สึกนึกคิดนี้มีห้าธาตุด้วยกัน มีธาตุดินธาตน้ำธาตุลมธาตุไฟ <c oughs> แล้วก็ธาตุรู้ธ <c oughs> าตุรู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายที่ทำด้วยธาตุสีนี้เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนทำอะไรต่างๆ <c oughs> นี่คือเรื่องของโลกเรื่องของจั ก, กรวาล <c oughs> ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ดวงดาวดวงไหนก็จะต้องมีธาตุสีหรือบางทีก็มีธาตุห้าโลกเหล่านี้มีธาตุห้ามีสัตว์มีเดรัจฉานมีมนุษย์บางโลกก็ไม่มีครบทั้งห้าธาตุอย่างดวงจันทร์นี้ธาตุน้ำก็ไม่มีเขาส่งยานอวากาศขึ้นไปสำรวจแล้วก็ ไม่มีน้ำบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศไม่มีมีแต่ธาตุดินอย่างเดียวธาตุไฟก็ไม่มีธาตุไฟคือความร้อนก็ไม่มีธาตุไฟนี้มีอยู่ที่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวส่วนใหญ่ในแต่ละในแต่ละระบบของสุริของจักรวาลนี้จะมีดวงอาทิตย์เป็นเป็นเหมือนดวงเป็นแม่เป็นศูนย์กลาง ที่มีดวงดาวดวงอื่นนี้จะโคจรรอบและดวงดาวเหล่านี้ก็อาศัยความร้อนจากจากดวงอาทิตย์นี้ถ้ามีครบทั้งสี่มีธาตุทั้งสี่ครบก็จะมีต้นไม้ใบายญาถ้ามีมนุษย์มีเดรัจฉานถ้ามีธาตุรู้มารวมตัวด้วยก็จะมีมนุษย์มีเดรัจฉาน นี่คือเรื่องของธาตุนามหลักของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสี่และธาตุห้าธาตุสี่ก็สิ่งที่ไม่มีวิญญาณสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ที่เจริญเติบโตและตายไปเช่นต้นไม้ใบาญ้าเป็นธาตุสี่ บางอย่างถ้าไม่มีธาตุสีก็จะเป็นธาตุเดียวเช่นภูเขาเนี่ยก็มีแต่ธาตุหินธาตุดินธาตุเดียวหรือธาตุน้ําในมหาสมุทรก็มีธาตุน้ําท่านาเดียวอรืออากาศอที่นกบินไปบินมาอากาศที่เราหายใจนี่มันก็มันก็อยู่ของมันตามลาพัง ถ้ามันเกิดมารวมตัวกันขึ้นมามีเดินน้ำลมไฟมีาธาตุรู้ก็จะมีมนุษย์มีสัตว์เดรัจฉานต่างๆถ้าไม่มีาธาตุรู้ก็จะมีเพียงต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้านี้มีาธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์ถึงจะปรากฏเป็นต้นไม้ใบหญ้าได้ ต้องมีดินใช่ไต้นหญ้านี่มันต้องมีดินหญ้ามันโผล่ขึ้นมาจากดินนล้ต้องมีน้ำต้องมีฝนตกลงมาเมื่อมีน้ำผสมกับดินมีความร้อนพอประมาณไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแล้วมีอากาศให้มันหายใจมันก็ทำให้มีการเจริญ มีงานงอกงามออกขึ้นมามีต้นไม้มีใบหญา้าต่างๆเจริญขึ้นมาแล้วถ้ามีธาตุรู้มาเกาะอยู่กับธาตุทั้งสีน่นี้ก็จะมีมนุษย์ขึ้นมามีมนุษย์มีสัตว์เดรัจฉานขึ้นมานี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ ในโลกที่เราอยู่กันนี้และไม่ว่าจะไปโลกไหนก็จะมีเท่านี้ต่อไปถ้ามนุษย์สร้างจรวดสร้างอะไรแล้วไปไปสู่ดวงดาวดวงอื่นได้ก็จะไปเจอโลกกลมๆที่มีธาตุสีมีคบบ้างไม่คบบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะมีไม่คบกันส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าขาดธาตุน้ำกัน ส่งยา อ, าอากาศไปสํารวจที่ไหนก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ําไม่มีธาตุไฟถ้ายิ่งห่างไกลจากดวงอาทิตย์ก็ยิ่งมีน้อยยิ่งห่างไกลไปเท่าไรความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปไม่ถึงมันก็เลยทําให้มีธาตุไฟน้อยมันก็จะเป็นโลกที่มีอากาศที่หนาวเย็นนี่นี่แหละคือส่วนประกอบหรือว่าเป็น เป็นตัวสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาคือธาตุทั้งทั้งธาตุทั้งสี่้าเกี่ยวกับเรื่องวัตถุก็ธาตุทั้งสี่เมื่อมันมีการผสมปรุงแต่งเมื่อมันมีมีการมารวมตัวกันมันก็ทำให้เกิดมีต้นไม้ใบหญ า, ยยาแล้วถ้ามีธาตุรู้มารวมด้วยก็จะมีมนุษย์ มีเดราฉานแเมื่อมีมนุษย์มนุษย์ก็มีความคิดฉลาดรู้จักเอาธาตุอื่นๆมาผสมก็เลยมาผลิตสินค้าต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่สินค้าที่เราใช้กันอยู่เสื้อผ้าที่เราใช้กันอยู่อะไรต่างๆที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานี่ก็เป็นความรู้ความคิดของธาตุรู้นี่เองธาตุรู้รู้จักคิด ตอนต้นก็คิดไม่เป็นถ้าเราศึกษาอาดีตของมนุษย์ตอนต้นก็รู้จักเพียงแต่หากินหาอยู่แม้แต่เครื่องมือหากินยังไม่รู้จักหาแต่ค่อยๆฉลาดค่อยๆคิดเป็นขึ้นมาทีละเล็กหาวิธีหากินให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยการคิดค้นหาอาวุธต่างๆแล้วก็มาคิดค้นวิธีปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไร ิดกันไปเรื่อยๆอยอันนี้ก็เป็นการใช้ความคิดมาเอาธาตุที่มีอยู่นี่มามาปรุงแต่งมารวมตัวให้มันเกิดเป็นเป็นสินเป็นสิงประดิษฐ์ขึ้นมาอสิ่งที่ปลูกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเอาธาตุทั้งสีมามาผสมปรุงแต่งกัน เราจึงมีอะไรมากกว่าที่ธรรมชาติมีอยู่มนุษย์เรามาต่อเติมเพิ่มเติมจากที่ธรรมชาติก็มีไว้เรามาผสมพันเทียมมาทำอะไรอะไรมีต้นไม้แปลกแปกใหม่ๆมีดอกไม้แปลกแปลกใหม่ๆอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาอันนี้เกิดจากธาตุรู้ที่ มีความรู้สึกนึกคิดที่ใช้ความคิดไปตามความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยคิดค้นหาวิธีก็เลยทำให้เรามีสินค้าอะไรมีผลิตภัณฑ์มีอะไรต่างๆมากมายกายกองแต่มันก็มาจากธาตุทั้งสี่ทั้งนั้นสิ่งที่มนุษย์เราผลิตกันขึ้นมา ต้องมีเป็นธาตุดินธาต้น้ำธาตุนมธาตุไฟเวลาผลิตสินค้าต่างๆนี้มันจะต้องมีกระบวนการมันก็ต้องอาศัยธ า, าตุดินเช่นโลหะเหล็กนี่ก็ต้องอาศัยธาตุไฟมาเผามันมาหลอมมันต้องอาศัยอากาศถ้าไม่มีอากาศไฟมันก็ไม่ลุก นี่ก็คือส่วนร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่เหมือนกันอาหารข้าวที่เรากินก็ไปก็มาจากดินส่วนใหญ่ทำมาจากดินโดยมีน้ำมีอะไรเป็นส่วนประกอบเราปลูกข้าวต้องมีดินต้องมีน้ำต้องมีอากาศคือธาตุลมแล้วก็มีธาตุไฟคือความร้อนของดวงอาทิตย์ หึ่งทำให้ต้นข้าวที่เราปลูกนี้งอกงามขึ้นมาเป็นเมล็ดข้าวแล้วเราก็เมล็ดข้าวนี้มามาหุงมาต้มเพราะกินแข็งแข็งมันไม่อร่อยก็เลยมนุษย์รู้จักฉลาดรู้จักต้มข้าวอเอาข้าวมาต้มให้มันนุ่มะมันก็เป็นก้อนดินดีๆนะี่เมล็ดข้าวนี้ทํามาจากดินนุ่นๆแล้วก็เข้าไปในร่างกาย เข้าไปในร่างกายมันก็ไปเปลี่ยนเป็นอาการสามสิบสองฮะกินข้าวเข้าไปเดี๋ยวมันก็แยกสลายแล้วก็ไปแปลงไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝันตัวประกอบของข้าวที่เราเรียกว่าเซลล์ต่างๆเมื่อเรากินเข้าไปมันก็มันก็แยกตัวออกกันออกจากกันแล้วมันก็ไปรวมตัวกันใหม่ ในรวมตัวไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นออคือนอกจากข้าวแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยเรากินข้าวแล้วอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดื่มน้ำด้วยแล้วเราก็ต้องมีลมหายใจด้วยแล้วเราก็ต้องมีอุณหภูมิมีความร้อนด้วยจึงทำให้มีการผลิต อาการต่างๆขึ้นมาได้้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งการผลิตอาการต่างๆก็ยุติาขาดธาตุลมไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีลมหายใจาการที่จะผลิตหรือรักษาธาตุอาการต่างๆให้มีอยู่ต่อไปก็ยุติลงเมื่อมันไม่มีการเสืบ ต่อเนื่องไม่มีการเจริญไม่มีการสนับสนุนให้มันอยู่เดี๋ยวมันก็แยกตัวกันธนะาตุสีก็จะแยกออกจากร่างกายใช่หไหมเวลาคนตายนี่ธาตุลมไปก่อนแล้วลมไม่เข้าละมีแต่ลมออกก็คือกลิ่นที่เลยหายออกมาจากร่างกายแล้วธาตุไฟก็ตามออกไป จับร่างกายคนเป็นกับคนตายนี่จะรู้ว่ามันไม่เท่ากันร่างกายคนตายนี่เย็นเย็นกว่าร่างกายคนเป็นธาตุไฟออกธาตุลมออกไปธาตุไฟออกไป้ทาทิ้งไว้เดี๋ยวธาตุน้ำก็ไหลออกมาจากทวาวรต่างๆทิ้งไปต่อไปมันก็จะแห้งกรอบหรือแต่ส่วนที่เป็นธาตุดินหนัง ที่แห้งกรอบอวัยวะที่แห้งกรอบกระดูกผมพวกนี้มันเป็นส่วนของธาตุดินต่อไปมันทิ้งไว้มันก็ผุปเปื่อยพังกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามองจากมุมมองของธาตุทุกอย่างมามาจากธาตุทั้งนั้น ธาตุที่เราเห็นได้ก็มีอยู่สามสองสามธาตุธาตดินนี่เราเห็นได้ธาตุน้ำธาตุไฟนี้เราต้องมีการสัมผัสถึงจะรู้ว่ามีธาตุไฟเขาคือความร้อนนอกจากเวลาไฟมันลุกถ้าไฟมันลุกเราก็เห็นได้เวลาไฟไหมอันนี้ก็เป็นการการแสดงตัวของธาตุไฟ ส่วนธาตุลมเราก็สัมผัสจากการที่มีลมพัดอย่างนี้หรือว่าเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือธาตุลมเนี่ยเราต้องมีธาตุทั้งสี่นี้คอยเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆจึงทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้ถ้าขาดธาตุดาธาตุหนึ่งไปไม่นานร่นางกายก็ต้องหยุดทำงานร่นางกายเราเป็นเหมือนโรงงาน โรงงานผลิตชิ้นส่วนคืออาการ32ผลิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาศัยวัตถุดิบคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่เราป้อนเข้ามาทางทวารต่างๆเช่นดินธาตุดิ น, ดนแล้วก็ป้อนเข้ามาทางปากธาตุน้ำก็เข้ามาทางปากธาตุลมก็เข้ามาทางจมูก ธาตุไฟก็เข้ามาทั่วทางร่างกายอันนี้เข้ามาแล้วก็เข้ามามาผลิตอาการสามสิบสองเห็นไหมตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่นตัวนิดเดียวพอมีการ่ามีการให้ธ า, า, า ต, าตุมาอย่างต่อเนื่องให้ธาตุทั้งสี่มาอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จเจริญเติบโตขึต้นมา เ, เป็นโรงงานใช่หไหม โรงานที่ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ขยายชิ้นส่วนนั่นนี้ขยายกิ่ขยายขยายร่างกายผมก็ยาวขึ้นอกระดูกก็ใหญ่ขึ้นออวัยวะต่างๆก็โตขึ้นไปเรื่อยๆหัวใจปอดตามลำไส้อะไรก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีการส่งเสริมวัตถุดิบให้กับร่างกาย มีการป้อนวัตถุดิบให้กับร่างกายอย่างต่อเนื่องป้อนธาตุสีนี่ป้อนอาหารป้อนน้ำป้อนลมอป้อนความร้อนจึงทำให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาแต่มันมีขอบเขตของความจเจริญเติบโตหลังจากที่ร่างกายมันเต็มมันโตเต็มที่ ของมันแนละ้วนี้จะให้มันโตไปกว่า น, นั้นมันก็ไม่โตแล้วที่พอมันถึงจุดอิ่มตัวของการเจริญเติบโตมันก็จะเริ่มเข้าสู่สู่การแตกแยกการการแยกออกของธาตุทั้งสี่เอาธาตุเข้าไปแต่มันจะไม่รับละมันจะเพียงแต่ประครับประคองให ธาตุที่มีอยู่มันอยู่ต่อไปแต่มันจะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายก็จะแก่ลงไปเทละเล็กเทละน้อยเพราะธาตุที่มันคอยมารวมตัวมามาผลิตมาขยายร่างกายมันมันทําไม่ได้แล้ะมันร่างกายมันไม่สามารถที่จะอะโตไปได้เรื่อยมันก็จะเริ่ม มีการแยกตัวออกจากกันที่ระลกเทียน้อยก็เลยทำให้อวัยวะต่างๆเริ่มมีอาการเสื่อมมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทิ้งไปนั้นต่อไปนานๆอวัยวะเหล่านั้นก็หยุดทำงานหัวใจหยุดทำงาน ก, ก็จบก็จบไม่มีหัวใจทำงานก็ไม่มีลมหายใจ ลมไม่เข้าน้ำก็ไม่เข้าดินก็ไม่เข้าไฟก็ไม่เข้าไฟเข้าแต่ไม่มีใครรับมันก็ในที่สุดมันก็กลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟส่วนธาตุรู้ที่มามามาเกาะกับธาตุทั้งสี่นี้ก็แยกตัวออกไปธาตุรู้นี้ก็คือใจ ที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้หยุดทำงานเวลาร่างกายอยู่ท้ายใจธาตุรูนี้ก็แยกตัวไปเราก็ไปหาธาตุสี่อันใหม่ไปรวมตัวกันใหม่นี่เรียกว่าเกิดใหม่ธาตุรูนี้ไม่ตายความจริงธาตุทั้งสี่ก็ไม่ตายเพียงแต่ว่ามันกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มันมารวมกันในร่างกาย เป็นอาการสาสองพอร่างกายหยุดทํางานธาตุทั้งสี่ที่รวมตัวกันก็แยกกลับคืนสู่ธาตุเดิมธาตุดินก็ธาตุน้ําก็ไหลไปหาธาตุน้ํำธาตุลมก็ไปหาธาตุลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟธาตุดินก็กลับสู่ธาตุดินธาตุรู้ก็ไปตามอํานาจของบุญของบาปที่ธาตุรู้ได้ทําเอาไว้ แล้วก็ไปรอรับธาตุสี่อันใหม่เวลาที่ไปได้รับผลบุญผลบาปที่ทาแล้วก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ธาตุสี่อันใหม่เวลามีการก่อร่างสร้างตัวคือเวลามีการผสมผันมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายก็จะมีธาตุของธาตุสี่ของหญิงชาย มารวมตัวกันพอมีการรวมตัวกันก็มีธาตุรู้มาเกาะก็เกิดปฏิสนธิขึ้นมาทําให้มีการเจริญเติบโ ต, ตเป็ น, นเป็นร่างกายขึ้นมาทีละชิ้นทีละส่วนที่เเล็กทีละน้อยร่างกายก็จะค่อยๆเจริญติบโ ต, ตด้วยธาตุสี่ของมารดามารดาเป็นผู้ส่ง ส่งสเสบียงให้กับร่างกายอันใหม่นที่เวลาอยู่ในท้องเนี่ยอร่างกายอันใหม่นี้อาศัยธาตุสีที่มารดาเอาเข้าไปในร่างกายแล้วก็เอาธาตุสีนี้มาก่อร่างสร้างตัวมาสร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาที่ละแต่และอาการอผมบางขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างเอ ลเล็กเทียน้อยพอได้เวลาเก้าเดือนก็ได้ครบทั้งสามสิบสองอาการพร้อมที่จะออกมาอยู่นอกท้องก็จะคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ต้องเติมธาตุเองเวลาอยู่ในท้องนี้แม่คอยเติมธาตุทั้งสี่ให้พอออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ต้องเติมธาตุลมเอง ต้องหายใจเองก่อนแล้วก็ต้องกินน้ำเองเวลาหิวน้ำหิวนมหิวอาหารอาหารก็คือธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟก็สายอุณหภูมิที่อยู่ในบ้านถ้ามันเย็นก็บอาแม่ก็ต้องเอาผ้าหม่มมาห่มให้เพราะว่าถ้ามัน ุณหภูมต่ำเดี๋ยวร่างกายก็เริ่มชำ้ำนุษได้ไม่สบายขึ้นมาได้อ่านี่ก็คือเป็นการเป็นการเติมต่อเติมร่างกายด้วยธาตุทั้งสีถ้าเรามองให้ดีร่างกายมันมีแค่นี้แหละมันทํามาจากธาตุทั้งสีเหมือนกับศาลาหลังนี้มันก็ทํามาจากไม้ทํามาจากสังกสีอ่มันไม่มีตัวตนอ่ะ ร่างกายของพวกเรานี้ไม่มีตัวตนตัวตนมันเกิดจากความคิดของาธาตรู้เองาธาตรู้ที่มามาได้ร่างกายนี้มาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวาธาตรู้เสองมาคิดว่าตัวตัวรู้ตัวคิดนี้เป็นเป็นร่างกายาธาตรู้ก็เลยไปยึดไปติดกับร่างกายแล้วก็เป็นปัญหาขึ้นมา เพราะว่าเมื่อมีความคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายนี้ดีให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายเออันนี้ก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่ามันขัดต่อความเป็นจริงของธรรมชาติของร่างกายที่มันมีการเจริญแล้วมันก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเอ แต่ใจนี้ไม่ยอมรับความจริงอันนี้อยากจะให้ร่างกายนี้แข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวนานก็เลยดิ้นรนต่อสู้กับความจริงแต่ก็สู้ไม่ได้พอเจอความจริงก็รับไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาอันนี้คือปัญหาของใจที่คิดไม่เป็นเพราะถูก อ, อวิชาความหลงหลอกให้ไปคิดว่าร่างกายเป็นเป็นเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดถ้ามาถ้ามีใครมาบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ผู้รู้ผู้คิดเนี่ย uhh แล้วผู้รู้ผู้คิดไม่สามารถที่จะไป <_ C 2> ห้ามไม <_ C 1> ่ให้ร่างกายมันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้ผู้รู้ผู้คิดก็จะได้หยุดความพยายามหยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พราะเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วไปวุ่นวายกับร่างกายทําไมเหมือนกับเราไม่วุ่นวายกับคนที่เราไม่รู้จักใช่ไหเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เราใช่ไหมเขาเป็นอะไรเราวุ่นวายไปกับเขาบ้าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็เฉยได้เท่านั้นเองคือการเฉยเท่นั้นเอง พอเฉยมันก็ไม่ทุกข์มันไม่วุ่นใจถ้าเกิดเราไปรักเขาไปชอบเขาขึ้นมาก็วุ่นวายได้ถึงแม่รู้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็ยังอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาได้อันนี้นี่คือความทุกข์ของใจของธาตุรู้ที่ทุกครั้งได้มาครอบครองธาตุ4คือร่างกาย จะต้องหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเป็นาธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วก็อยากอยากให้ร่างกายนี้ดีไปตลอดแต่ร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติที่มีดีและมีไม่ดีครึ่งหนึ่งมันดีมันมีเจริญแล้วพอมันเจริญเต็มที่มันก็จะมีการเสื่อมเพราะทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าตรงทรงตัดสรู้พบว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจัง อันนี้จังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่เป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันต้องมีการเปลี่ยนไปจากการเจริญขึ้นไปสู่การเสื่อมขั้นต้นเจริญก่อนเช่นทุกอย่างมันจะต้องก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาต้นไม้ใบหญ้าร่างกายนี้เหมือนกันมันต้องเจริญงอกงามขึ้นงอกขึ้นมา ต้นไม้ใบหญ้าก็งอกขึ้นมาคนก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็จเจริญเติบโตไปจนถึงขีดจเจริญเต็มที่พอมันจเจริญเต็มที่มันก็หยุดจเจริญแล้วถ้ามันจเจริญไปก่อนนั้นมันไม่จเจริญเหมือนเดินขึ้นภูเขาเพอถึงถึงยอดแล้วมันจะให้ไปสูงกว่ายอดไม่ได้นะมันไม่มีที่ทางเดินขึ้นที่จะสูงกว่ายอดของภูเขา มันมีแต่จะทางเดินลงเท่านั้นเองมันก็เลยต้องเสื่อมพอสิ่งใดที่จเจริญเต็มเต็มที่ของมันนะทีนี้มันก็จะเริ่มนับถอยหลังนะมันก็จะค่อยเสื่อมลงไปตามสภาพก็จะเกิดอาการแก่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยและเกิดอาการตายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าเป็นต้นไม้ใบหญ่าก็เหมือนกันเพราะทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกัน อยู่ภายใต้กฎของไตายรักเหมือนกันก็คือไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเป็นธาตุสีเป็นการรวมตัวและเป็นการแยกตัวของธาตุสีเท่า น, นั้นเองไม่มีอะไรมากไปไปกว่า น, นั้นแต่ธาตุรู้ที่มาครอบครองกับไม่ยอมมองความจริงไปคิดว่าต้องเป็นตนเองไปเป็นร่างกาย ก็เลยกลัวความแก่ความเจ็บความตายแต่ร่างก็ธาตุรู้ก็ไม่มีวันตายร่างกายจะแยกตัวกันเอธาตารู้ก็ยังเป็นธาตุรู้เหมือนเดิมทีนี้ไม่ได้ศึกษาไม่มีใครสอนก็เลยไปยึดไปดติดกับร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พราะธาตรู้ไม่อยากไม่ไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายเพราะธาตรู้ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองอย่างที่ธาตรู้อยู่ตามนำพังไม่เป็นหาความสุขในตัวเองไม่เป็นไม่รู้ว่าตัวเองนี้มีความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไม่มีไม่มีใครรู้ นานๆจะมีคนฉลาดมารู้เข้าสักครั้งหนึ่งเอคนฉลาดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มาส่งทรงสร้างบำเพ็ญบารมีต่างๆทรงหาหาวิธีสร้างความสุขต่างๆจนในที่สุดก็ไปนค้นพบวิธีสร้างความสุขที่มีอยู่ในใจที่ดีกว่าความสุขที่ต้องใช้ผ่านทางร่างกายที่ต้องหาผ่านทางร่างกายเอ เพราะความสุขที่ต้องหาจากผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเพราะร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือชั่วคราวร่างกายไม่อยู่ไปตลอดเวลาที่มีร่างกายอยู่ทางรู้ก็สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้เ ส, สพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่พผพ้ ้านรู้ก็เกิดความสุขขึ้นมาก็เลยอยากให้ร่างกายนี้ทำหน้าที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดเพราะ้าตรู้มันไม่มีวันหมดก็เลยคิดว่าร่างกายก็จะอยู่ไปเหมือนกับธาตุรู้แต่มันอายุสั้นร่างกายนี้มันอายุสั้นธาตุรู้นี่มันอายุยาวอายุไม่มีวันหมดมันก็เลยทุกข์ เวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้พอร่างกายตายไปมันก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้หาความสุขต่อจึงทำให้มันต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่เหมือนที่เรามาเริ่มต้นกันในโลกนี้เวลาเรามาเกิดนี่เราเป็นาธาตุรู้เรามาได้ร่างกายอันใหม่ จากพ่อแม่คนใหม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปทำอะไรไปหาความสุขต่างๆจนถึงวันแก่วันเจ็บวันตายแล้วเราก็ต้องทิ้งร่างกายไปต้องแยกตัวออกจากร่างกายแล้วเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุข แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนั่นเองนานๆเราจะมาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ส่งคนพบว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขเพราะการใช้ร่างกายหาความสุขมันมีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรา รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจเพราะความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวล า, ามีไม่ต้องมีร่างกายานี่คือนานๆเราจะมาเจอคนฉลาดโอกาสที่เรามาเกิดในโลกนี้แล้วมาเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพพุทธเจ้านี้ ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่งแล้วมาม า, มาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราให้รู้จากวิธีหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ถาวรหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานี่นี่คือพวกเราพวกเรา เสียว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอตัวแทนเราไม่เราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะท่านตายไปแล้ว80สิอายุ80ดสิบท่านตายไปแล้วแต่ท่านมีตัวแทนผู้ที่มาทำหน้าที่แทนท่านสื่อสองส่วนก็คือพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ ต, ตลอดระยะเวลาสี่สิห้าปี ก็มีผู้คอยจดจาเอามาถ่ายทอดกันเอามาท่องจากันคือพระที่มาบวชนี่พระจะมาท่องจาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปเพราะเป็นคาสอนที่หายากที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาจากข้างหนึ่งที่จะมาช่วย ให้ผู้ที่มาเกิดนี้ไม่ต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่ต้องมาทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พระที่มาบวชก็เลยใช้การท่องจำคำสอนนี้เป็นอุบายวิธีรักษาแล้วก็เป็นอุบายวิธีสร้างความสุขให้แก่ใจของผู้ท่องด้วย เพราะการท่องคำสอนของพระุทธเจ้าเช่นการสวดมนต์เนี่เป็นการวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขภายในใจขึ้นมาที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายอันนี้ก็เลยมีตัวแทนของพระุทธเจ้าในรูปของพระธรรมคำสอนที่เดี๋ยวนี้เรามีรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกนี้ อันนี้ถ้าเราไม่มีตัวแทนอีกองค์หนึ่งคือพระอริยสงสาวกคือพระที่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าสู่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ถ้าเราเจอพระอริยสงฆ์ท่านก็จะสอนเราโดยตรงเลยไม่ต้องไปศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้เพราะถ้า พระไตรปิฎกกับพระอริยสงฆ์นี้ก็เอาคำสอนอันเดียวกันของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนต่างกันตรงที่ว่าสอนสดกับสอนแห้งถ้าอ่านพระไตรปิฎกมันเหมือนกับเป็นคำสอนที่แห้งและเป็นคำสอนที่เราต้องค้นคว้าหาเอาเองส่วนคำสอนของพระอริยสงสาวกนี้เป็นค ำ, คำสอนสด และเป็นคำสอนที่ท่านป้อนให้เราท่านเลือกให้เราท่านรู้ว่าเร า, เาต้องการคำสอนแบบไหนท่านจะรู้จักเอาคำสอนที่เหมาะสมกับผู้ฟังมาให้ผู้ฟังได้ฟังไม่ต้องไปอ่านทั้งพระไตรปิฎกให้เสียเวลาถ้าได้เจอกับพระอริยสงฆ์ท่านก็จะสอนอโดยตรงเลยแล้วก็ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็สามารถสอบถามได้ให้เกิดความกระจา่างท่านก็สอนอยู่เรื่องเดียววิธีสร้างความสุขทางใจวิธีดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการไปใช้ร่างไปหลงไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี่นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้เองถ้าสรุปแล้วมีแค่นี้นมีการ ตัดไว้ว่าคําสอนที่มีรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีตั้งแปดหมื่นสี่พันบทเนี่ยทุกตั้งสี่พันบทนี้พูดเรื่องเดียวกันเท่านั้นเรื่องวิธีสร้างความสุขทางใจเรื่องวิธีดับความทุกข์ทางใจเท่านั้นเองแต่มันมีขั้นตอนรายละเอียดมากมายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายชนิด ที่ไปติดอยู่ในหลายรูปแบบก็เลยต้องมีวิธีดึงเอาคนเหล่านั้นให้ออกจากการไปติดอยู่กับการหาความสุขในทางที่เป็นทุกข์เท่านั้นเองก็เลยมีหลากหลายวิธีแต่เหมือนกันทั้งนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อดึงให้คนที่ติดอยู่กับความสุขทางโลกทางร่างกายนี้ให้ออกมาหาความสุขทางใจกัน น, นี่ก็ถ้าเราถ้าเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะมีโอกาสได้รู้เรื่องของการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะการมีความสุขที่ต้องใช้ร่างกายมันเป็นความสุขชั่วคราวตราบที่ร่างกายสามารถทําหน้าที่ของมันได้พอเวลาร่างกายมันไม่สามารถทําหน้าที่ได้ เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจอยากจะมีความสุขก็มีไม่ได้อยากจะไปเที่ยวร่างกายก็พาไปไม่ได้คนแก่บางคนถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะทำอะไรไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวออกินก็ลําบากนอนก็ลําบากอะไรลาบากไปหมดก็เลยไม่อยากอยู่นี่คือโทษของการมีร่างกาย โทษของการที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเนี่ยงั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเจอโทษแบบนี้ซ้ําๆซากๆไม่ใช่แต่เพราะเฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวตายไปเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายอันใหมอ่อีกไปใช้ร่างกายหาความสุขหมาอีกแล้วก็มาจบท้ายที่ความทุกข์ตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเนี่ย เราก็ไปหาใหม่อีกหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนพวกเราทีนี้พอสอนแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนได้ยินแล้วก็ปฏิเสธไม่สนใจก็มีเยอะแยะไปอย่างเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธมีชาวพุทธต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่มีใครที่สนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างมีสักกี่คนที่มาเป็นนักบวชเนี่ยมีสักกี่คนนักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่ทุ่มเทต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าแล้วมีกี่คนที่เป็นนักบวชที่ได้ทุ่มเทจริง ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจริงๆได้รับปริญญาจริงๆมีท่านไม่กี่คนผู้ที่รับปริญญาก็คือผู้ที่บรรลุเป็นพระอาริยสาวกนี่เองผู้เป็นพระอรหันต์ที่เวลาตายไปกระดูกเป็นพระาธาตุนี่มีกี่องค์นี่แหละคือคือผลของการที่เราได้มา พบปะกับพระพุทธศาสนาและรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็คือจะได้พบวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายผู้ที่สามารถยุติการใช้ร่างกายหาความสุขได้เวลาตายไปร่างกายกระดูกบางส่วนจะกลายเป็นธาตุขึ้นมานอกนั้นแล้วถ้ายังไม่เป็นธาตุก็สแสดงว่ายังติดอยู่ ยังยังต้องใช้ร่างกายอยู่อย่างนั้นถึงแม้จะมีคนฉลาดมาสั่งมาสอนแต่คนที่สามารถที่จะน้อมเอาคําสอนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้นี่มีน้อยมากมีไม่กี่คนในเมืองไทยเราเนี่ยมีพระที่ตายไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุสักกี่คนอันนั้นแหละ คือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ที่นานๆานจะได้มาเจอของวิเศษสักครั้งหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะไปเอาประโยชน์จากของวิเศษนี้ได้แต่ก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีได้อยู่ที่ว่ า, เ, าเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่แล้วก็เห็นโทษเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหรือไม่คนบางคนไม่คิดกันไม่เคยคิดว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เคยคิดว่าตอนที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้มันจะทุกข์อย่างไรเพราะตอนนี้มัวแต่หาความสุขจากร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่กัน เลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยเพราะคิดแล้วมันจะทำให้จิตใจห่อเหี่ยวทำให้จิตใจเศร้าหมองก็เลยไม่กล้าคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดคิดถึงความตายกันพอไม่คิดก็เลยทำให้ลืมไปว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันอันนี้แต่คนที่ฉลาดนี้จะคิดอยู่เรื่อยๆ คิดว่าต่อไปเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายต่อไปเราจะไม่สามารถมีความสุขได้จากร่างกายต่อไปเราจะไม่สามารถหาความสุขอย่างที่เรากำลังหาได้กันอยู่ในขณะนี้เพราะต่อไปร่างกายมันจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆมันจะหมดสมรรถภาพความสามารถในการที่จะหาความสุขมันจะน้อยลงไปเรื่อย ความสุขจะน้อยลงไปความทุกข์จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่คิดเราจะลืมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดกันอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันไปไม่ได้ ให้คิดบ่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเมื่อไม่ลืมจะได้หาวิธีใหม่หาความสุขแบบวิธีใหม่ก็จะมาศึกษาวิธีหาความสุขวิธีใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันก็คือให้มาทำใจให้สงบกันมาฝึกสติมาฝึกนั่งสมาธิกัน พถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เมื่อเราหยุดความคิดได้เราก็จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้เมื่อใจนิ่งใจสงบเราก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองนอกจากใช้ร่างกายแล้วยังต้องใช้เงินทองด้วยถึงจะหาความสุขได้ เราจรึงต้องดิ้นรนทำงานหาเงินหาทองกันหามาได้เท่าไหร่ก็ไปซื้อความสุขให้กับใจผ่านทางร่างกายซึ่งเป็นความสุขเดี๋ยววพอไปเที่ยวปั๊บกลับมาก็หมดละหมดแล้วก็ต้องมาหาเงินใหม่หาเงินใหม่พอได้เงินใหม่ก็ไปเที่ยวใหม่ไปซื้อความสุขใหม่ซื้อได้มาปั๊บก็หมดไปแล้วนี่คือความสุขที่ไม่จีรัง ไม่ตกค้างอยู่ในใจความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอความสุขให้ให้แต่ความอยากความหิวได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากได้เรื่อยๆแล้วพอเงินหมดไม่สามารถหาได้ก็ทุกข์หรือร่างกายเงินไม่หมดแต่ร่างกายไม่มีความสามารถที่จะไปหาไปทําได้ก็ทุกข์อีกนี่คือ วิธีหาความสุขที่จะต้องเจอความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วให้มาหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ดีกว่าเพียงแต่ว่าการหาความสุขแบบใหม่นี้มันจะต้องทุกข์ตอนต้นนั่นเองเพราะเราต้องหยุดการหาความสุขแบบเก่าไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบแล้วก็ไปควบคุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดคิด ให้นั่งสมาธิให้จิตนิ่งให้กายนิ่งก่อนกายต้องนิ่งก่อนจิตถึงจะนิ่งได้จึงต้องนั่งเฉยๆนั่งแล้วก็หลับตาไม่รับรู้รูปเสียงกลิกกก่นรส ด, ดึงใจให้เข้าข้างในด้วยการหยุดความคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าสามารถดึงใจให้เข้าสู่ข้างในใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วความสุข อันแบบใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสงบความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดถ้ากายได้สัมผัสกับความสุขอันนี้แม้แต่เพียงชั่วงูแลบลิ้นก็จะเกิด ศรัทธาเกิดความอยากที่จะ <c oughs> สัมผัสกับความสุขแบบนี้จะสามารถยุติเริ่มหาความสุขแบบเก่าได้จะเริ่มหยุดยังไม่ได้หยุดได้ทันทีแต่รู้แล้วว่าความสุขแบบเก่าสู้ความสุขแบบใหม่ไม่ได้ทีนี้ก็จะเปลี่ยนทิศทางจากการหาความสุขเปลี่ยนทิศทางใหม่ เมื่อก่อนหานไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายผ่านทางร่างกายต่อไปนี้จะไปหาความสุขจากการไปทำใจให้สงบก็จะเข้าวัดบ่อยขึ้นไปอยู่วัดนานขึ้นเพื่อที่จะได้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาสติสมาธินี้จะทำใจให้สงบได้ชัวว่วเท่วถ้ามีปัญญามาเสริมก็จะทำให้ สงบได้อย่างถาวรแต่เบื้องต้นก็ต้องเอาสติก่อนพอได้มีสติก็จะได้สมาธิได้สมาธิก็จะได้ความสงบได้ความสุขชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาใจก็ยังไปคิดไปอยากหาวความสุขแบบเดิมได้อยู่พอไปคิดไปหาความสุขแบบเดิมใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมัน ในการสอนใจให้รู้ว่าการไปหาความสุขแบบเก่าก็จะต้องเจอความทุกข์จะต้องเจอความผิดหวังจะต้องเกิดความเสียใจเวลามันจากไปหมดไปสอนให้มันรู้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกลับไปหาความสุขวิธีที่ควรจะทำต่อไปก็คือไปทำใจให้สงบเวลาอยากก็หยุดมันอย่าไปทาตามความอยาก ถ้าหยุดไม่ได้ก็ไปนั่งสมาธิหยุดมันคืออย่าไปทำตามความอยากโดยเด็ดขาดเพราะถ้าไปทำแล้วมันจะต้องทำไปเรื่อยๆความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปถ้าอยากจะให้ความอยากมันหดตัวและหมดไปก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากทุกครั้งที่มันอยากจะให้เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็หยุดมันอย่าไปทำ ถ้าเราหยุดมันไม่ได้มันดื้อเราก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบน้ําพอสงบความอยากมันก็จะหยุดทำงานไปทุกครั้งมันอยากเราก็ทำอย่างนี้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรมาหลอกมาล่อมาดึงให้เราไปหาความทุกข์อีกต่อไปใจเราก็จะสงบ ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่มีไม่มีปัญหาตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความว้าวุ่นขุนมัวให้กับใจก็คือความอยากต่างๆนี่พอเราสามารถหยุดมันได้ด้วยการรู้ทันว่าการไปทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์และจะทาให้ความอยากไม่มีวันหมดถ้า ไม่ต้องการให้มันมาลบกวนใจก็อย่าไปตอบสนองความต้องการของมันพอเราไม่ตอบสนองต่อไปมันก็ไม่มาต่อไปเราก็จะอยู่แบบสบายไม่มีอะไรมาลบกวนใจนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาบบรท่านสามารถทาใจให้สงบหยุดความอยากได้ตลอดเวลาใจของท่านก็เลยมีแต่ความสุขตลอดเวลา ที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่องนิบานังปรมังสุขขังนิพพานคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆนี่เองคำว่านิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากความโลภความโกรธความหลงเมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะมีบรลมะสุปปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่คือ วิธีหาความสุขของคนฉลาดที่นานๆจะมีมาบอกมาสอนพวกเราสักครั้งหนึ่งชาต น, นี้พวกเราถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอคำสอนอันประเสริฐมีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรอยู่ที่เราว่าเราจะสามารถหนึ่งตัวเราออกจากความสุขแบบเก่าได้หรือไม่อันนี้ต้องอยู่ที่การเห็นโทษ จะเห็นโทษก็ต้องนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆมันถึงจะเห็นโทษถ้าไม่ไม่นึกถึงมั น, มนก็จะลืมแล้วมันก็จะคิดว่าอยู่แบบนี้ก็ดีมีความสุขอยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าไปนึกถึงต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันอาจจะทำให้หวาดกลัวต่อการอยู่แบบนี้ก็ได้หวาดกลัวต่อการหาความสุขแบบนี้ ก็จะพยายามเลิกแล้วก็พยายามไปหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ให้หากันอันนี้อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องหาอุบายหาวิธีดึงใจเราให้ออกจากการหาความสุขแบบเก่านี้ไม่ให้ได้ถ้าออกไม่ได้เราก็จะติดอยู่งี้ต่อไปเองเรื่อยๆแล้วก็จะต้องรอรอบหน้าเวลาได้มาเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ แต่ถ้าเจอองค์นี้ยังทําไม่ได้เจอองคหน้าก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่ามันก็คงจะคงจะเจอมาหลายองค์นะมันยังติดอยู่นี่พวกที่ไม่ติดอยู่สแสดงว่าเข้าไปแล้วถ้าเรายังกลับมาอยู่นี่ก็สแสดงว่าเรายังติดอยู่ <c oughs> ยังต้องพยายามพยายามนึกถึงความแก่ความเก็บความตายอยู่เรื่อยๆนึกถึงเทวทูตสีนะแล้วมันจะทําให้เราไม่หลงไม่ลืมและจะทําให้เรารีบ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 อิจิตังปฏทิตังตุ მ หังคิปะเมวาสมิตจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยธามณีโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวาจจาตุสภโรโควินาตสตุ มาเตภวตวรรตารายสุขีทีขายุโกภวะพิวาฒนสีลิธสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา374ย t u b บ182วิทยุออนไลน์28รับฟังข้างบนเขา52คนรวมทั้งหมด636ครับอนี่คือจำนวนผู้ติดตามฟังถ่ายทอดสดตอนนี้ทางบ้านนะทางสื่อต่างๆถ่ายทอดทุกวันบ่าย2โมงถึง4โมง เฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ใครสะดวกฟังทางไหนก็ได้แล้วใครฟังแล้วอยากจะถามก็ส่งข้อความเข้ามาได้สดๆเลยตอนนี้เราจะตอบคำถามของผู้ที่ติดตามที่ได้ส่งข้อความเข้ามาใครอยู่บนนี้อยากจะถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาก็ได้ เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมีคำถามว่าอ่านได้เลยคำถามจากคุณอนงนุชการปฏิบัติเนสั ช, ชิกมีผลดีมากกว่าการปฏิบัติปกติอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่า <c oughs> ได้ปฏิบัติมากขึ้นนั่นเองคำว่าเนสั ช, ชิกก็คือนอนให้น้อยที่สุดด้วยการถือสามิเิยาบท เดินยืนกันนั่งไม่นอนถ้าจะหลับก็หลับอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนมันก็จะหลับไม่นานหลับแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ตื่นล้วผู้ที่ต้องการปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็เลยถือในสัตชิกันเพราะถ้านอนเอ็ น, อนอหลังแล้วเดี๋ยวมันจะยาวห้าหกชั่วโมงเจด็ดแปดชั่วโมงก็จะเสียเวลากับการปฏิบัติไป เลใช้ในสัจชคิคือถือสามิริยาบททำให้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นคำถามจากคุณสายฝนลูกขอคำแนะนำการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์กับทางสายพระนิพพานเจ้าค่ะก็เหมือนกันโพธิสัตว์นี่หมายถึงผู้ที่ไม่มีผู้ไม่มีคนสอน ในยุคที่ไม่มีสมัยพระพุทธศาสนาผู้ที่บำเพ็ญเพื่อพระนิพพานก็เรียกว่าโพธิสัตว์แต่เป็นเหมือนค น, คนตาบอดคำทางไปเองเพราะไม่รู้ว่าทางที่ไปสู่นิพพานไปอย่างไรก็เลยต้องลองผิดลองถูกเหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนที่บำเพ็ญเพื่อที่จะให้ไปถึงนิพพานไม่มีใครสอนอพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระโพธิสัตว์ พอไปถามใครไปศึกษาจากใครก็ไม่มีใครรู้ว่าทางไปพันธิพาลไปอย่างไรก็เลยต้องคํำทางไปเองทำผิดทำถูกเช่นไปอดพระกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันนี่ก็รู้ว่าไปผิดทางอดอาหารสี่สิบเก้าวันกิเลสก็ยังไม่ตายความทุกข์ก็ยังมีอยู่ก็ูเลยรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางก็เลยย้อนกลับมาใหม่แล้วก็มาพบทางสายกลาง คือการมาทำใจให้สงบแล้วก็หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็เลยทำให้ถึงพระนิพพานนี่นี่แหละ ว, วิธีบําเพ็ญของภูติศาสตก็คือต้องค้นคว้าเอาเองลองผิดลองถูกเอาเองไม่มีผู้สอนแต่พวกเรานี้โชคดีมีผู้สอนบอกทางให้ตลอดเวลาไม่ต้องไปคลำทางให้เสียเวลา เพราะพวกเราก็เลยสามารถที่จะบาเพ็ญให้ถึงพะนิพานได้ในชาตินี้เลยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราก็ต้องบาเพ็ญลองผิดลองถูกไปอีกหลายกับด้วยกันหลายแสนล้านชาติกว่าที่จะได้ไปถึงพะนิพยานได้คําถามจากคุณวิราวัรณ กราบขอถามว่าการมีความทุกข์มากจะเริ่มต้นใช้ธรรมะอย่างไรในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็พยายามฝึกสติให้ ม, กมากๆคิดให้น้อยลงเพราะความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดของเราเนีย่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดก็ยิ่งอยากความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ ถ้าเราลดความคิดให้น้อยลงความอยากก็น้อยลงได้ความทุกข์ก็น้อยลงงั้นมาหัดฝึกสติควบคุมความคิดนี่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องที่สําคัญเรื่องที่จําเป็นก็อย่าให้มันคิดเพอ้อเจออย่าให้ไปคิดเพอ้อฝันเพราะความคิดเพอ้อฝันนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์เพราะฝันอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่พอไม่ได้เป็นก็ทุกข์แล้วเดังนั้นหยุดดีกว่าอย่าไปคิด วิธีจะหยุดความคิดก็ให้คิดพุโทโธแทนลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปในใจเวลาที่เราไปทํากิจส่วนตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วความทุกข์จะน้อยลงใจจะเบาอกเบาใจขึ้นสบายขึ้นถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็วุ่นแล้ววันนี้อยากจะได้นู่นอยากจะมีนี่อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ ต้องไปสอบสอบก็ยังไม่ได้ดูหนังสือกูจะสอบไม่ได้วุ่นวายไปใหญ่คิดเพราะเกิดจากความคิดทั้งนั้นทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดเลยก็วุ่นวายไปก่อนแล้วถ้าหยุดความคิดได้ก็จะไม่วุ่นวายพอถึงเวลาก็สอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็รู้มันก็วุ่นวายเดียวเดียวไม่ต้องมาวุ่นวายเป็นวันเป็นคืนถ้าหยุดความคิดได้ คำถามจากคุณนกกราบนมัสการเจ้าค่ะเวลามองกระจกเห็นตัวเองและชอบจ้องมองเล่นๆนานๆจะเกิดความรู้สึกว่าภาพที่เห็นในกระจกนั้นมันไม่ใช่เราช่วงแรกๆก็จะรู้สึกกลัวนิดๆเลยออกมาไม่จ้องหลังๆไม่กลัวค่ะแต่ก็รู้สึกไม่ใช่ตัวเราทั้งที่มันก็เป็นภาพเราเองในกระจกเจ้าค่ะ มันคือสภาวะอะไรเจ้าคะก็ <buying them? S 3> สภาวะเราคิดไปเองะคิดว่า gigs, มันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่จะคิดอย่างนี้จริงหรือไม่จริงก็ต้องดูเวลาที่มันเป็นอะไรถ้ามันไม่เป็นตัวเราจริงเราจะต้องไม่เดือดร้อนไปกับมันใช่ไหถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นเาเป็นอะไรเราเดือดร้อนไหมเราเฉยเนียหมอฟันนี่คนไข้มาทำฟันหมอเจ็บไปกับคนไข้อะวอ แต่พอเวลามอฟันหมอเจ็บขึ้นมานี่ทำไมหมอต้องคุ้นวายไปกับฟันของหมอเองอ่ะเพราะยังเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนคนไข้คนหนึ่งก็ทำไปท่านเ้ยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่ใจไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บของฟันฉะนั้นตอนนี้เรากำลังหลอกตัวเราเองเราหลอกคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นความคิดปรุงแต่งว่าเรามองหน้ากระจกแล้วก็ไปคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราตอนนี้คิดได้ตอนที่มันจะตายคิดได้หรือเปล่าต้องเอาตอนนั้นสิมันสําคัญตอนตอนที่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายแล้วเราปล่อยวางมันได้หรือเปล่าเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ต้องไม่เดือดร้อนกับมันลองไปพิสูจน์ดูดูว่ามันไม่เราคิดจริงหรือเปล่าหรือคิดเล่น คิดตอนที่มันไม่เป็นอะไรหรือหรือดูรอดูตอนที่มันมีสิวมีฝ้าขึ้นมาที่หน้าดูนี่แล้วดูคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราช่างมันมันจะมีสิวมีฝ้าก็เรื่องของมันอ่า อ, อย่างนี้ต้องพิสูจน์ดูถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ดูเฉยๆยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนี้มันยังไม่รู้ว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าคําถามจากคุณลี รบเรียนขอถามพระอาจารย์ครับในขณะที่เดินจงกรมได้น้อมจิตพิจารณาให้ร่างกายเป็นศพไปได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งร่างกายน้อมไปถึงร่างกายเป็นกระดูกและแตกสลายไปเหลือแต่ฝุน่นเมื่อถึงจุดนี้พบว่าจิตเกิดความเบาเย็นและสงบไม่เกิดความคิดใดๆนอกจากสงบเช่นนี้แล้ว ควรทําอย่างไรต่อครับก right. ็ทําไปเรื่อยๆจนมีความมั่นใจว่าไม่กลัวตายไม่กลัวว่าร่างกายจะกลายเป็นศพไปจะรู้อีกทีก็ตอนที่มันจะตายนั้นว่าใจเรายังนิ่งเฉยอยู่หรือเปล่าอถ้ายังไม่นิ่งเฉยก็ต้องทําให้มันเฉยให้ได้เพราะตอนนี้เรายังเป็นเหมือนกับการทําการบ้านอยู่การพิจารณาร่างกายเป็นซากศพตอนที่มันยังไม่เป็นน มันเป็นเหมือนกับการทำการบ้านยังไม่ได้ทาข้อสอบจะทาข้อสอบว่าตอนที่มันเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วหมอบอกว่าอาเหลืออีกสามเดือนนะจะเป็นศพนะทีนี้ก็ดูว่าใจเราจะเป็นอย่างไรถ้าใจเราเย็นเหมือนตอนที่เราทาการบ้านก็ใช้ได้เราก็ผ่านถ้าใจลุกเป็นไฟขึ้นมาร้อนขึ้นมาด้วยความกลัวก็แสดงว่าสอบตก คำถามจากคุณกอล์ฟกล้าวกระผมบวชเป็นพระแล้วจําเป็นต้องอยู่วัดป่ากลางเมืองเพราะตั้งใจจะบวชทดแทนคุณมารดาท่านไม่อยากให้ไปไกลๆต้องคิดอย่างไรหรือใช้ธรรมะข้อใดครับก็บวช ด, ด้วยจุดประสงค์ที่ผิดนะสิถ้าบวช ด, ด้วยจุดประสงค์ที่ถูกก็ต้องอไปไกลแล้วไปอยู่ในป่าแล้ว ถ้าเราบวชเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบวชเพราะเราเห็นภัยในวัตตะสงสารคําว่าภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดต้องบวชแบบนี้ถ้าบวชแบบนี้ก็ไม่ฟังใครแล้วไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่ไม่ฟังใครดังนั้นต้องไปหาที่อยู่ที่มันทําให้เราปฏิบัติทําได้ถ้าเราบวชแล้วปฏิบัติทําไม่ได้ก็เหมือนกับไม่ได้บวชอยู่นั่นแหละบวชแต่ร่างกาย แต่ใจไม่ได้บวชจากคุณต้นครับกราบนมัสการครับถ้าเราบรรลุนิพพานแล้วตายไปเราจะจําทุกอย่างได้ไหมครับก็เหมือนเดิมเราจําได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะไปจําทําไมเพราะเราไม่ต้องไปเจอใครอีกแล้วหมดแล้วเอย สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เราเคยรู้เคยเห็นมันก็ยังรู้อยู่ได้เพียงแต่เราไม่เอามาใช้มันเท่านั้นเองเพราะในเมื่อเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้มันเราก็ไม่ใช้มันแต่ถ้ามีเหตุผลก็มาใช้มันได้อย่างพระพุทธเจ้าพอตอนบรรลุถึงนิพพานแล้วใจยังคิดถึงมารดาอยู่ยังคิดได้ยังจาได้ว่ามีแม่อยู่เกิดมาเจ็ดวันแม่ตายก็เลยใช้ยานวิเศษ คนขวาว่าตอนนี้ยานดวงวิญญาณของแม่อยู่ที่ไหนก็ไปพบว่าอยู่ในสวรรค์ก็เลยไปติดต่อไปหาที่สวรรค์แล้วก็ไปสอนดวงวิญญาณของแม่ที่เป็นเทวดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมายังใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมขันของพระอรหันต์กับขันของปุถุชนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเสียงที่เปลี่ยนแปลงคือกิเลส ต, ตัณหาที่มีอยู่ในใจเท่านั้นเอง ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีกิเลสตัณหาแต่ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังคิดยังจำได้เหมือนเดิมขันไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายก็ยังเป็นร่างกายเหมือนเดิมอยู่ของพวกนี้มันไม่ได้เป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่ต้องกาจัดที่เป็นเหมือนเชื้อโรคในร่างกาย เวลากินยาฆ่าเชื้อโรคหมดแล้วอวัยวะในร่างกายต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไม้มไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เสียหายไปกับการการเสียของของโรคภัยของของเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคของใจก็คือกิเลสตัณหานี่เองการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการกินยาเพื่อเข้าไปทำลายกิเลสตัณหาเชื้อโรคของใจพอกิเลสตัณหาตายหมดก็เป็นนิพพานขึ้นมา แต่อวัยวะต่างๆของน่างกายที่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ยังทำหน้าที่เดิมอยู่หัวใจก็ยังเต้นปอยก็ยังสูดลมอยู่เหมือนเดิมขันห้าก็เหมือนเดิมขันสี่ของใจก็เหมือนเดิมเวทนาก็ยังรับรู้ความรู้สึกสุขทุกข์อยู่สัญญาก็ยังคิดยังจำได้หมายรู้อยู่ สังขารความคิดปรุงแต่งก็ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ไม่คิดไปทางกิเลสตัณหาเท่านั้นเองคำถามจากทางไลน์ครับกราบนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกเองเจ้าค่ะเขาไปปฏิบัติธรรมแห่งสำนักสงฆ์สำนักหนึ่ง ซึ่งมีความรู้สึกว่าพอเข้าไปปฏิบัติแล้วความรู้สึกเขาไม่ปล่อยวางเจ้าคะ่ะยิ่งหนักกว่าเดิมเมื่อวานนี้ลูกทําอะไรผิดใจเขาอยู่หนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเหมือนว่าจะต้องตัดพี่ตัดน้องกับลูกลูกควรจะวางตัวอย่างไรเจ้าคะเราก็ต้องปล่อยวางสิเมื่อเราว่าเขาไม่ไม่ปล่อยวางแล้วเราเราไม่ปล่อยวางแล้วก็เหมือนเขาสิ ถ้าเราปล่อยวางแล้วก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาก็จะตัดก็ปล่อยก็ตัดไปเราอย่าตัดก็แล้วกันเขาตัดก็เป็นส่วนของเขาแต่เราก็ยังถือว่าเขาก็เป็นญาติเป็นพี่น้องกันอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ถ้ายังถ้าเมตตาได้ก็เมตตาต่อไปไม่มีปัญหาอะไรส่วนเขาจะคิดยังไงมันเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้อีกหนึ่งคำถามจากทางไลน์นะครับ สำหรับผู้เริ่มต้นควรเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างน้อยอย่างละประมาณกี่นาทีต่อวันและควรทําช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดครับช่วงที่เราว่างไงช่วงไม่ว่างมันก็ทําไม่ได้ไนงะช่วงที่เราว่างแทนที่จะไปดูละครไปเล่นเกมหรือไปทําอะไรต่างๆก็เอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิกัน ยนีจะนั่งมากนั่งน้อยก็อยู่ที่กำลังของเร า, าเดินได้นานก็เดินไปนานเดินจนกระทั่งเดินไม่ไหวแล้วก็มานั่งนั่งจนนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปเดินอันนี้คือวิธีปฏิบัติสำหรับทุกคนเพราะเวลาเริ่มต้นของแต่ละคนนี้กำลังอาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนนั่งได้แค่สิบนาทีบางคนนั่งได้ครึ่งชั่วโมงบางคนเดินได้สิบนาทีบางคนเดินได้ชั่วโมง อันนี้ก็ทําให้มันเต็มที่ก็แล้วกันทําตามกําลังของเราคําถามจากคุณมริษากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพ่อของลูกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ลูกทําบุญมอบบุญให้พ่อพ่อจะได้รับผลบุญของลูกหรือไม่เจ้าค ะ, ะยังไม่ได้รับหรอกเพราะว่าพ่อยังไม่ได้ไปเป็นดวงวิญญาณ ตอนนี้เราทำบุญกับพ่อด้วยการทำให้พ่อมีความสุขทำตามใจพ่อพ่ออยากจะได้อะไรก็ทำให้พ่อไปถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทำไปเพราะบุญก็คือความสุขใจเราอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้บุญได้ความสุขใจเราก็ต้องทำตามใจเขา เขาไม่อยากกินยาก็อย่าไปบังคับเขากินยาเขาอยากจะนอนก็ปล่อยเขานอนไปเขาอยากจะกินอะไรก็ให้เขากินไปอยาป่าไปบอกว่ากินไม่ได้หมอห้ามอย่างนี้ก็ไปทําให้เขาทุกข์ใจไปเปล่าๆเอาใจเขาให้เขามีความสุขเพราะความสุขก็คือบุญนี่ความสุขใจก็คือบุญทีนี้พอเขาไม่มีร่างกายแล้วเราก็เลยต้องอาศัยการทำบุญส่งไปให้เขา แต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เราสามารถให้ความสุขกับเขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้การทำบุญเราก็ทำด้วยการรับใช้ดูแลเขาให้ดีที่สุดให้เขามีความสุขใจสบายใจว่ า, เ, าเขาไม่มีไม่ได้ถูกทอดทิ้งเดียวด้มีคนคอยดูแลคอยเอาอกเอาใจเขาตลอดเวลาอาันนี้คือการทำบุญให้กับคนที่ยังเป็นอยู่ แต่พอเขาตายแล้วเราไม่สามารถทำแบบตอนตอนที่เขาเป็นได้เราก็ต้องทำแบบตอนที่เขาตายก็คือทำบุญแล้วส่งไปให้เขาต่อไปคำถามจากคุณไรรูปไรนามถ้าเราอยู่นิ่งๆมากแล้วมันสงบเงียบไม่เกิดปัญญาเราหาเรื่องหาเหตุคุยเพื่อสร้างปัญญาจะถูกต้องไหมเจ้าคะ ถ้าเราต้องการปัญญาเราก็ต้องอสร้างเหตุขึ้นมาเพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาเราถึงจะดับความทุกข์ได้ทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเนี่ย่เช่นถ้าเรามีความสุขมีความสบายใจก็ลองสร้างความทุกข์ขึ้นมาสิเช่นเรารักอะไรเราชอบอะไรก็ยกให้คนอื่นไปรักแฟนชอบแฟนก็ยกแฟนให้คนอื่นไป ดูสิว่าใจจะทุกข์ว่าเปล่าอะไรทำนองนี้เราต้องสร้างเหตุขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วดูว่าเราจะดับความทุกข์นั้นได้หรือเปล่าคำถามจากคุณบรีษกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ การเรียนนักธรรมมีความจำเป็นสำหรับการเข้าสู่การบรรลุธรรมใหม่เจ้าคะถ้ายังไม่รู้จักธรรมเลยก็ต้องเรียนก่อนนี่หลักสูตรทางพุทธศาสนาของประเทศไทยท่านก็ใส่ไว้ในหลักสูตรนักธรรมตีโทเอจกจะสอนวิชาที่เราควรจะรู้ความรู้ที่เราควรจะรู้คําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นต้น เมื่อเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่เราไม่จําเป็นจะต้องศึกษาจากหลักสูตรเสมอไปถ้าเรามีหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ศึกษาแบบนั้นก็ได้การศึกษานี่มีหลายรูปแบบทั้งทางวงการสงฆ์ของไทยเราท่านก็จัดเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกสําหรับผู้ที่มาบวชปีแรกก็ให้เรียนหลักสูตรนักธรรมตรี ปีที่สองก็นักทำโทปีที่สามก็นักทำเอกแต่ถ้าเราไม่มีหลักสูตรเราอ่านพระสูตรอันใดก็ได้หรืออ่านคำสอนของครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ที่เราอ่านแล้วประทับใจที่เราสามารถน้อมเอาไปเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันคำถามหมดแล้วครับหมดคืนถ้าเราอ่านเราก็จะรู้ว่าหลัก ของการปฏิบัติก็มีอยู่แค่สามท่านั้นเองคือทานศีลภาวนานี่คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราทําบุญทําทานอย่าเอาเงินไปเที่ยวอยาเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ไปทําบุญทําทานจะดีกว่าจะได้ความสุขมากกว่าจะได้ความอิ่มความพอจะหยุดความอยากใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้ เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องทำงานมากเมื่อเราไม่ทางานมากเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมานั่งสมาธิได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกให้เราหาเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันวิธีจะหาเวลาก็คือลดใช้ลดการใช้เงินทองให้น้อยลงเมื่อเราใช้เงินน้อยก็หาน้อย เมื่อหาน้อยก็มีเวลาว่างแทนที่จะต้องทำงานห้าวันอาจจะทำแค่วันเดียวสองวันถ้าใช้เงินเฉพาะปัจจัยสี่ถ้าเราไม่ใช้เงินไปเที่ยวไม่ใช้เงินไปซื้อของฟุ่เฟือยต่างๆรายจ่ายก็น้อยลงเมื่อรายจ่ายน้อยก็หาหาเงินน้อยก็ได้หาพอเลี้ยงชีพก็พอเราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญามาภาวนาอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกต้องหาเวลามาปฏิบัติให้ได้เพราะคนเราทุกคนเกิดมามันจะถูกถูกการหาเงินเป็นตัวผูกมัดเวลาไปหมดเนี่ยทุกคนนี้เกิดมาโตขึ้นต้องหาทำมาหากินหาเงินหาทองกัน เวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติอย่างจริงๆอย่างจังเลยไม่สามารถทําได้ถ้าเราอยากจะศึกษาอยากปฏิบัติอย่างจริงจังเราก็ต้องดึงตัวเราออกจากการหาเงินหาทองมากจนเกินไปหาพออยู่ได้ก็พออพอเราไม่ต้องทํางานมากเราก็จะมีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติ พเราได้ศึกษาปฏิบัติได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ mm. ก็จะทําให้เรามีความยิน ด, ดีที่จะปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะใช้เงินน้อยลงเพราะเราจะไม่ไปใช้เลยนอกจากใช้สําหรับเลี้ยงชีพเท่านั้นเองถ้าเราใช้สําหรับเลี้ยงชีพเราก็ไปบวชได้ไปอยู่วัดได้เพราะวัดเขาก็จะเลี้ยงชีพให้กับเรา เราก็เพียงแต่ไปทางานให้กับวัดเวลาที่เราอยู่วัดช่วยกันล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ำห้องท่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่สถ า, านะของถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปช่วยนรงครัวถ้าเป็นพระก็ไปบิณฑบาตเนี่ยแล้วการได้อาหารมาก็มาแบ่งกันกินกินเสร็จก็จบแล้วก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมกันต่อคำถามจากคุณกอฟ การฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีการถามตอบข้อสงสัยอย่างสม่ำเสมอจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้เพราะว่ามันถ้าเราปฏิบัติไปเราติดตรงไหนเราก็ต้องหาคนมาบอกว่าติดเพราะอะไรต้องไปทางไหนต่อถ้าไม่มีคนบอกก็อาจจะเสียวเวลาก็จะหาวิธี ออกจากการติดอยู่ในช่วงนั้นได้ก็อาจจะใช้เวลาแต่ถ้ามีคนคอยสอนคอยถามคอยบอกมันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้ารับประกันว่าถ้าศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้ไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนฉะนั้นการมีครูบาอาจารย์มันดีกว่าการเรียนหนังสือด้วยตัวเองใช่ไหม อทำไมนักมาอะไรต้องมีอาจารย์คอยสอนทำไมไม่ให้นิสิตเอาหนังสือกลับไปบ้านอ่านน่ะกลัวนิสิตจะไม่อ่านนสิวาหนังสือกลับไปบ้านก็ไปนอนกันไปเล่นกันเอก็เลยต้องบังคับให้เข้าห้องเรียนอให้ฟังให้อแล้วก็ให้ให้ให้ทําการบ้านให้ทําข้อสอบเอจะได้รู้ว่าได้เรียนจริงหรือเปล่าเอาถ้าให้หนังสือไปแล้วก็จบนี้ก็ มันก็ไม่รู้ว่าเรียนหรือไม่เรียนก็เหมือนกับถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราศึกษาอะไรบ้างและเราเอาไปปฏิบัติอย่างไรบ้างเราก็ไม่รู้เพราะไม่มีใครคนไม่มีคนคอยบอกว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอต้องรู้อย่างนั้นต้องรู้อย่างนี้เพรฉั้นการมีครูมีอาจารย์นี่มีคุณประโยชน์กว่าการเรียนด้วยตนเองเรียนด้วยตนเองนี่มันก็ ช้าแล้วก็อาจจะหลงทางได้อาจจะเรียนไม่จบเห็นไม่นักศึกษาที่เรียนแบบที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนเฮอบางทีเรียนต้องหลายปีกว่าจะจบไม่เหมือนกันนักศึกษาที่มีครูอาจารย์คอยนึงให้เข้าห้องเรียนคอยให้ทำการบ้านให้ทำข้อสอบก็จะเรียนจบภายในเวลาที่เขากำหนดไว้คำถามจากคุณสิรินิวรห้าต้องพบ ทุกตัวใหม่เจ้าคะก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจไม่ทุกตัวบางคนก็อาจจะพบทุกตัวแล้วแต่กิเลสมากกิเลสน้อยอันนี้คือกิเลสห้าตัวที่บางคนกิเลสน้อยก็อาจจะไม่พบทั้งห้าตัวก็ได้เช่นความนังเลสงสยัยบางคนไม่ใค่อยเป็นคนที่สงสยัยเชื่อง่ายก็อาจจะไม่ต้องเจอเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็น มีจริงสอนคำสอนวรพุทธเจ้าก็มีจริงเป็นของจริงใครปฏิบัติตามคำสอนได้ก็เป็นพระอริยสงสารโกได้ถ้าเชื่ออย่างนี้นิวรนตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาไปแต่บางคนนี้ขี้สงสัยขี้ระแวงกลัวว่าจะถูกหลอกว่าเปล่าว่าเขาแต่งนิยายขึ้นมาหลอก ห, อกหรือเปล่า ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่ออันนี้ก็เป็นนิวรณ์ขึ้นมาได้เพราะจะทําให้ไม่ทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็มีมีมีราคะจริตชอบชอบเที่ยวชอบหลับนอนกับแฟนอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ขึ้นมาเวลานั่งสมาธิก็เหงาอยากจะอยู่ใกล้แฟนนี้อันนี้เดี๋ยวก็นั่งไม่ได้ มีเขาเล่มีวิธีแก้บางคนขี้โกรธอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธขึ้นมาพอจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะความโกรธมันยังคุมคุ้มครองอยู่ในยังปกคุมอยู่ในหัวใจเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธใครพูดอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็โกรธแล้วก็เอามาโกรธ อ, อยู่ในใจพอจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ อันนี้แล้วแต่จริตนไงเขาเรียกว่าราคะจริตโทสะจริตเฮ้ยพวกโทสะก็จะโกรธง่ายราคะจริตก็จะชอบเสพกามง่ายเฮพวกที่โมหะก็พวกหลงไม่ค่อยเชื่อเฮ้ยนี้มันมีหลายจริตด้วยกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนิวรณ์ก็อาจจะมีไม่เท่ากันคำถามหมดละครับหมดแล้วนะ เดี๋ยวเลยแบบนาทีเดี๋ยวรอคำถามใหม่สักสองนาทีดูใครอยากจะถามก็ถามได้นะอยู่ที่นี่ก็ถามได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราช่วยคนแต่เขายังไม่พอใจและบังคับให้เราทำตามที่เขาสั่งแต่เราไม่ทำเขาจึงโกรธต่อมาเขาอยากติดต่อกับเราอีก ถ้าเราไม่คบจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกการไม่คบคนผ่านนี่เป็นบุญพระพุทธเจ้าว่าอย่าคบคนผ่านให้คบคนดีคนคนดีคนที่มีเหตุมีผลคนผ่านนี่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลคนเจ้าอารมณ์คบกับเขาแล้วยุ่งมีปัญหาอย่าไปครบครบกับเขาแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันถ้าไม่ถ้าไม่ต้องครบได้ก็ดี ถ้าต้องคบก็คบแบบผิวเผิน อ, อย่าไปยุ่งเกี่ยวกันมากนะคบเพราะว่าอาจจะต้องทํางานร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้ก็คบกันไปเฉพาะกิจพอไม่ไม่มีเวลาจะต้องทํางานก็แยกกันไปเพราะอยู่กับคนเจ้าอารมณ์นี้มันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาไม่มีวันจบวันสิ้นไม่บาปแต่อย่างใดเป็นบุญต้องรู้จักเลือกคบคน คำถามจากคุณสายฝนสวดมนต์อย่างไรให้ได้ผลมากที่สุดเจ้าคะก็สวดแบบไม่คิดเรื่องอื่นไงให้อยู่กับเรื่องสวดอย่างเดียวสวดไปให้ใจนี้อยู่กับคำสวดอย่าปล่อยให้แวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนถ้าสวดแบบไม่คิดได้นี้ใจจะสงบได้เร็วคำถามจากคุณวิราวัน เมื่อสติดีแล้วการนั่งสมาธิแต่ละขั้นจะดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะใช่สมาธิก็เป็นผลที่เกิดจากสติเนี่สติดีสมาธิก็จะดีขึ้นไปตามลาดับหมดแล้ ว, ล ว, ลวะนะงั้นก็ถ้าอยากนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นขั้นรูปฌปา น, รปปรานหรือนิโรธสมาบัติเนี่ย ก็ต้องอยู่ที่สตินี่แหละเป็นผู้ที่จะทําให้สมาธิต่างๆเกิดขึ้นมาถ้านั่งแล้วใจลอยนี้ใจจะไม่สงบจะเข้าฌานไม่ได้จะเป็นอัปปนาไม่ได้ต้องมีสติคอยกํากับใจดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งถ้ามาเจริญเฉพาะช่วงนั่งนี้มันจะไม่ได้ผล พอมันหนึ่งมันจะนั่งไม่ได้นานแล้วมันก็จะอยากจะลุกแต่ถ้าเรามีสติพอมานั่งจิตมันไม่ไ ม, ไม่มันไม่ไปไหนมันอยู่กับการการภาวนามันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วมันก็จะนั่งได้นานคำถามจากคุณชุติมากำจัดปลวกโดยใช้ยาฉีด คนบาปคือคนฉีดหรือคนสั่งให้ฉีดยาควรแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะคนสั่งก็บาปคนฉีดก็บาปวิธีให้คนสั่งไม่บาปก็คืออย่าไปสั่งคือเช่นเขามีร้านมีบริษัทกำจัดปลวกนี่เราก็โทรไปถามก็ได้อย่าไปสั่งเขาก็แล้วกันถามเขาว่าที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทํำยังไงดีถ้าเขาอาสาบอกผมจะมาทำให้อย่างนี้ก็เราก็ไม่ได้สั่งเขา เขามาเองเพราะเขาอยากทำเพราะมันเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วใช่ไมอันนี้เราก็ไม่ได้ไปสั่งเขาล้วเพียงแต่บอกปัญหาของเราอย่างพระนี่ตัดต้นไม้ไม่ได้บางทีต้นไม้กิ่งไม้มันมาจะทำให้หลังคาเสียหายก็บอกญาติโยมได้ว่าโยมกิ่งไม้นี้มันจะมาทำลายหลังคาเนะก็บอกได้แค่นี้ถ้าโยมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้ก็ ไม่ได้สั่งเขาเขาทำเองบวกขึ้นก็เหมือนการโยมบวกขึ้นกุติไม่รู้จะทําไงดีบอกเขาได้แค่นี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรผมจัดการให้เพราะเขาทาบาปมากกว่านี้อยู่แล้วเขาก็ยตกปลายิงนกหากินของเขาเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นปกติไแล้วในการที่จะมาฆ่าเพื่อให้ได้บุญเขาก็ยินดีที่จะฆามารับใชพ้พระมาช่วยพระมาช่วยป้องกันกุติไม่ให้เสียหาย เขาก็ทาได้แต่เขาก็บาปแต่บาปแต่เขาก็ได้บุญด้วยเพราะเขาทาไม่เขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเขาเองทำก็ทําเพื่อให้คนอื่นมีความสุขอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งก็เป็นบาปด้วยแต่ถ้าเขาเป็นคนที่รักษาศีลเค้ื่อนค้ายเขาก็ไม่ทําบอกเขายังไงเขาก็เฉยเฉยไปบอกเขาว่าปวกเึ้เขาก็รับทราบแต่เขาไม่มาทําให้เราเขาไม่มาสาธะ ตอาเราไม่ได้ไปสั่งเขาถ้าเราไปสั่งเขาเขาอาจจะเกงใจเราอาจจะต้องมาทำเพราะเราไปสั่งไปบอกเขาอันนี้ก็คืออุบายวิธีของการพูดจะเรียกว่าเลี่ยงบาลีหรือไม่ไม่รู้แต่ตามหลักธรรมนั้นว่าพูดได้พูดแบบนี้ได้อยู่แต่สั่งไม่ได้คาถามจากคุณหนูจันเวลานั่งสมาธิใจไม่นิ่งเลยค่ะทาได้ไม่นาน ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็ไม่มีสติไยต้องฝึกสติให้มากๆตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยคิดเท่าที่จำเป็นแล้วเวลานั่งจะนั่งได้นานนั่งได้สงบคำถามจากคุณวัชกรกราบนมัสการครับหากทำสมาธิไม่ดีแต่มันใช้สัญญาในการพิจารณาทุก มันพิจารณาถึงร่างกายถึงความตายจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับก็ถ้าถ้าปล่อยวางได้ก็บรรลุได้ปล่อยวางร่างกายได้ก็เป็นโสดาบันได้อยู่ที่จะปล่อยได้หรือไม่ได้คำถามจากคุณภารณีหลังจากการปฏิบัติจนหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อกายดับ จิตที่หลุดพ้นจะไปอยู่ที่ใดเจ้าคะ <S <S ก็อยู่ที่เดิมนะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดจิตไม่เคลื่อนไหวจิตอยู่ในโลกทิพย์โลกที่ไม่มีไม่มีขนาดไม่มีความกว้าง น, นึกแคบเป็นโลกของความรู้ของความคิดเท่านั้นเอง ยนจิตก็ยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าไม่ไม่คิดสร้างความทุกข์ไม่คิดเพื่อที่จะไปเกิดเท่านั้นเองไม่คิดที่จะไปหาร่างกายอันใหม่จิตไม่ได้ไปแล้วจิตส่งกระแสไปเกาะร่างกายอันใหม่เช่นร่างกายอยู่อเมริกาจิตอยู่ที่เดิมจิตตายก่อนตายอยู่มีร่างกายอยู่ที่เมืองตายร่างร่างกายที่เมืองไทยตายไปจิตก็ส่งกระแสจิตไปหาร่างกายอันใหม่ ที่ไหนมีจิตสามารถส่งกระแสจิตไปเกาะได้ทุกที่ไม่ว่าแต่ไม่ว่าแต่เฉพาะโลกนี้โลกอื่นโลกกลมๆโลกอื่นถ้ามีมีมนุษย์อยู่จิตก็สามารถส่งกระแสไปเกาะร่างกายอันใหม่ได้เหมือนกันเะฉะนั้นจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดไม่มีการเคลื่อนไหวมีแต่ความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่เดิมอะไรนะวันนี้